วันนี้เป็นวันอุโบสถพวกเราฟังพระปฏิโมกจบลงสักครู่นี้วันอุโบสถความเป็นมาของวันอุโบสถพวกท่านทั้งหลายที่บวชใหม่ที่เข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาเขามาบวชใหม่เขาคงจะยังไม่เข้าใจ ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยจุดนี้เมื่อไรแต่ตามไม่จริงพระพุทธเจ้าตะก่อนเมื่อพระพุทธองค์ได้ตัดสรู้ใหม่ก็ยังไม่ได้บัญญัติวินัยจริงจังต่างองค์ก็ต่างพอบวชเข้ามาพระพุทธองค์ก่อนแนะนําสั่งสอนแล้วก็ต่างองค์ก็ต่างได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลที่ผมเคยพูดว่า รุ่นแรกสาวก ข, ของพระพุทธเจ้ารุ่นแรกพอพระพุทธองค์ได้เทศนาว่าการก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแต่ผู้ที่บวชในยุคนั้นสมัยนั้นกะวะเลกระวะราชก็มีอยู่บ้างแต่ถึงยังไงก็พระที่เกรดเอมากกว่ากะวะเลกระวะราชเพราะนั้นจึงไม่มีเรื่องอะไรที่จะหนักหนา แต่ตามไม่จริงถ้าพูดตามพุทธะบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าจะมาตัดสรู้ในโลกเนี่ยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เป็นที่รู้กันจะเป็นยุคนี้เป็นยุคของใครพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าโคตมะเนี่ยจะมาตัดสรู้ในช่วงไหนเวลาเท่าไหร่พวกเทวดาอินพรหมเขารู้หมด เพรา ะ, ะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้มาประ寿วันประสูรประ寿เทวดาที่เป็นบริวารหรือว่าที่คอยจ้องอยู่แล้วที่ท่านสังสมบารมีมาเต็มเปี่ยมอยู่แล้วขึ้นไปพักอยู่บนสวรรค์หรือไปอยู่ชั้นพรมก็เมื่อพระพุทธองค์ได้ลงมาประสูตร เทวดาเหล่านั้นเกิดต่างองค์ก็ต่างเสด็จลงมาเกิดตามบุญวัดสนามบรมีของแต่ละองค์เมื่อพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราออกบวชท่านได้ตัดสรู้ธรรมพอได้ตัดสรู้ธรรมไปประกาศและไ ป, ปโปรดน่าสถานที่ใดพวกเทวดาที่ว่าท่านได้สังสมบรมีมาในอดีตชาติ เตรมเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วก็ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธองค์พอได้ฟังธรรมเทศนาก็เหมือนกับแต่ก่อนเหมือนกับดอกบัวพ้นน้าแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของแต่ละองค์แล้วพอได้ยินเสียงธรรมะก็เหมือนกับถูกแสงแดดพอแสงแดดส่องมาบัวนั้นก็บานรับ แค่เาว่าพอพระพุทธองค์แสดงธรรมให้ฟังสาวกทั้งหลายทั้งสาวกสาวิกาทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายพอได้รับพระธรรมเทศนาจิตใจก็เบิกบานได้รับธรรมมัต่างก็ได้สำเร็จมักสำเร็จผลเป็นอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาสกทาคาอนาคาอรหันมากต่อมากในครั้งพุทธกาลนอกจากนั้นก็เป็นผู้ เลื่อมใสนับถือในพระไตรยสรณคมคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็มากต่อมากเช่นเดียวกันอันนั้นยังบา ร, รมียังอ่อนอยู่แต่ผู้ที่บา ร, รมีแก่กล้าที่ว่ามาเกิดที่ว่าพระพุทธองค์เป็นคราวนี้แหละเป็นคราวของพระพุทธเจ้าโคตมะแล้วเราก็จะได้มาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าโคตมะแล้วเทวดาท่านรู้ พระพรมท่านรู้ท่านก็ลงมาเกิดในยุคสมัยนั้นนี่แหละอันนี้เป็นยุคเป็นคราวเป็นบา ร, รมีของพระพุทธองค์พร้อมกับพระสาวกของพระองค์ในเมื่อบวชเข้ามาแล้วกต็ต่างองค์ก็ต่างประพฤติปฏิบัติก็ได้ต่างองค์ก็ต่างได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นพระอริยะบุคคลมากต่อมากแต่บางองค์ก็กัวะเลกัลวราดก็มีอยู่บ้าง บางทีพระพุทธองค์ เ, เทศนาว่าการให้ฟังผมมีการโต้เถียงถกเถียงบางทีพระองค์จะบัญญัติวินัยขึ้นมาอย่างเนี้บางซิขาบทโอ้รู้สึกบัญญัติยากมากอย่างเรื่องภิกษุไม่ให้ภิกษุทานอาหารในเวลาวิกาลอย่างนี้พวกเราไปอ่านดูใช่ไหห้ามภิกษุไม่ให้ทานอาหารในเวลาวิกาลพระพุทธองค์อ้างเหตุผลยังไง พวกนั้นก็ยังต่อต้านอยอู่บอกว่าการทานอาหารไม่เห็นจะผิดที่ตรงไหนลักษณะอย่างนั้นน่อจนกว่าพระพุทธองค์ได้ใช้ไม้เด็ดขาดอางั้นเถอะในพระพุทธองค์บอกว่าเราเป็นผู้พาทานทานมือเดียวใครเขาว่าเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายไม่ควรจะให้ยุ่งยากปุ้นวายลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้น ที่พระพุทธองค์จะบัญญัติชิคคาบทแต่ละชิคคาบทบางทีมันเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่มันยากพอสมควรนะเหมือนกับเขาบัญญัติกฎหมายทุกวันเนี่นะกฎหมายไหนที่ไม่มีผลประโยชน์มากกฎหมายนาั่กรมบัญญัติงไงงะไอ้กฎหมายนั้นก็กฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นก็ออกมาง่ายๆไม่มีใครคัดค้านมากแบบนั้นอ่ะแต่ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่หรือว่า ขัดผลประโยชน์ของคนในประเทศกฎหมายฉบับนั้นออกมาเลยกว่าจะออกมาได้นี่ตุปัตตุเปยทุลักทุเลพอสมควรพ เ, เพราะเหตุใดเพราะผู้ที่ขัดผลประโยชน์ถ้าเป็นผู้มีอํานาจวาสนาเป็นคนมีเงินและเป็นคนกลุ่มใหญ่บางทีเพเผอออกกฎหมายฉบับนั้นไม่ได้อีกต่างหากเพราะพวกนั้นคัดค้านทั้งที่ดูดูแล้วก็มันก็ไม่เป็นธรรมแต่ว่าเขากลุ่มใหญ่กว่าเขาคัดขันเอาไว้อย่างนี้ อย่างนี้ก็มีนี้ก็เหมือนกันกฎหมายเรื่องวิวนัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติวินัยถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นบางสิกขาบทนะบางสิกขาบทอันนี้วิเคราะห์ผมวิเคราะห์ว่างั้นจะให้ท้าววานน่ให้พวกท่านทั้งหลายศึกษาดูก็ได้ผู้ที่จะเป็นผู้ที่จะบวชนมนานนะทางว่าพวกท่านทั้งหลาย บวชมาสามเดือนอันนั้นก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าว่าผู้ที่จะบวชต่อไปภายภาคหน้านะภาคหน้านะั้นควรจะศึกษาเกี่ยวกับวิทยในที่พระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรก็อย่างที่ผมได้พูดได้กล่าวให้แก่พวกท่านทั้งหลายเนนะี่ยอันนี้คือความคิดเห็นของผมนะคือบางสิขาบทที่มันเกี่ยวกับการเป็นอยู่เอเกี่ยวกับการฉันการอยู่นี่แหละมันงั้นเถอะ พระสงฆ์บางกลุ่มก็คัดค้าน ข, ข, ข, ขึ้นมาแบบไม่ยอมรับลักษณะอย่างนั้นแต่แต่พระพุทธเจ้าท่านก็นท่านมองเห็นส่วนรวมส่วนกลางท่าก็บัญญัติออกมาตามแนวความเห็นของพุท ธ, ธะแต่ฟังๆดูแล้วที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทวินัยแต่ละสิกขาบทเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านบัญญัติตามที่ท่านอยากจะบัญญัติ ท่านก็ได้เล็งญานดูว่าพระพุทธเจ้าองค์ ก, ก่อนๆนะเนอะกับกุสันโท โ, ทโกนะัคมาโนกัสปโป อ, อ, อที่องค์ ก, ก่อนๆนะเ อ, อเป็นหลายๆร้อยองค์ท่านบัญญัติอย่างไรไปในเรื่องนี้นะพระพุธองค์ก็เอาทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าองค์ ก, ก่อนๆเป็นแนวแถวของพุทธท่านเล็งญานดูแล้วว่าเนี่ยที่ท่านทำเน่ยเป็น กฎระเบียบของพุทธะที่บัญญัติขึ้นมาอย่างนั้นก็มีนะที่พวกเราได้อ่านได้ฟังได้ศึกษาอันนี้คือเป็นวิสัยของพุทธะอันนี้เพียงแต่เรานํามาพูดนะให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะว่าเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องจิตวิญญาณเรื่องญาณทัศนะบางเสียงบางอย่างภาษาพระพุทธองค์รู้ภาษาวกไม่รู้อ่า แต่พระพุทธเจ้ารู้ทั้งหมดพระสาวกรู้ยังไงพระพุทธองค์รู้ยิ่งกว่าพระสาวกเหล่านั้นอีกเพราะว่าสยามภูบร ม, มครูยิ่งรู้ยิ่งเห็นจริงกว่าสาวกสาวกจะรู้ยิ่งเห็นจริงอย่างไรก็อยู่ในกรอบแต่พุท ธ, ธภูมิหรือว่าพุท ธ, ธความรู้ของพุทธ หาประมาณไม่ได้จะเปรียบเทียบกับอะไรหาประมาณไม่ได้เพราะนั้นก่อนที่พระพุทธองค์จะบัญญัติวินัยแต่และข้อแต่และสิกขาบทในยุคสมัยนั้นก็พระพุทธองค์คิดแล้วคิดอีกทบทวนดูทั้งอดีตแล้วผลเป็นอยู่ในอนาคตแต่บางสิกขาบทที่เราได้ศึกษาเราได้อ่านพระพุทธองค์ก็มองดูสังคมชุมชน ในยุคสมัยนั้นด้วยถ้าชุมชนยุคนั้นสมัยนั้นเขาตีเตียนอย่างไรในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ก็บัญญัติวินัยก็มีหลายสิกขบทที่พวกเราได้ศึกษาที่พวกเราสวดลงจบลงสักครู่นี่แนภะิกษุได้รับขนแกะที่จะมาหล่อสันถัดแสวกันคือหล่อเป็นภาพปูนั่งเหมือนกนขนแกะที่จะมาทำเป็นภาพปูนั่งคือตัดมาแล้วก็ ทำเป็นไหมแล้วก็ถักอย่างนี้แหละทำเป็นอาชนะภิกษุเท้าถวายาถวายภิกษุภิกษุรับถือมาได้เพียงหนึ่งโยน์แต่ถ้าว่าไม่มีใครถือให้ถ้าถือเกินกว่านั้นเกินไปปรับอวัตินิจคียปาจิตติขาดศีลไปข้อหนึ่งทำไม พระพรองค์ยงบัญญัติวินัยคือมีพระภิกษุมีญาติโยมเขาถวายขนแกะพอเขาถวายเสร็จแล้วพระพระภิกษุท่านก็ไม่มีกระโปง๋งกระเป๋าใช่ไหมลนะ่ะท่านก็ผ้าจีวอนของท่านห่อเออห่อเอาขนแกะแล้วก็เดินทางมาตะพายมาปรมานี้นหะคนทั้งหลายเขเห็นโอ้ส ม, มณะท่านเอาขนแกะไปขายเหรอท่านจะได้กาไรไหมเนี่ย ไอ้ใครๆว่าเขาพูดลอยเยอะผดเยอะเยอะใหญ่ไอ้ใ้ายว่าเขาพูดเหมือนกับท่านเป็นพ่อค้าขายขนแกะนะเนี่ยทีนี้ได้ยินไปถึงพระพุทธเจ้าบอกว่าคนพูดอย่างนั้นพระพุทธองค์เลยอูไม่ได้ถ้าขืนทำอย่างนั้นไปก็ไม่เป็นที่เคารพไม่เป็นที่ศรัทธาของคู่คนทั้งหลายพระองค์เลยบัญญัติวีนันพิกษุถ้าเขาถวายขนแกะ จะนำขนแกะนั้นไปได้หนึ่งโยน์แต่ถ้าว่ามีผู้ถือไปให้ให้ถือไปได้เพียงสมโยต์โยต์หนึ่งก็คือ400สี่รอยเส้นสี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งโยต์ปมาั้นถ้าเกินถ้าว่าไม่ทำให้สำเร็จไม่จัดการขืนถือไปคนนนอีกนิเป็นนิจคียปาจิตติสรุปแล้วก็คือเรามาพิจารณาดูว่าซิกขาบทแต่และซิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเนี่ย บางสิขาบทก็เป็นคล้ายๆกับ ว, ว่าโลกวัชช ะ, ะคือโลกเขาตีเตียนมันไม่งามเพราะตรงกับบัญญัติวินัยบางทีก็ท ร, รมวัชชะ ร, รมตีเตียนไม่งามคือบางสิขาบทกับเบียดเบียนขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในใจอย่างพิสุขฆ่าสัตว์อย่างนี้พิสุแกล้งฆ่าสัตว์ที่ไรฉ า, านอย่างนี้ ต้องไปจิตตียังไงคล้ายๆเขาแบบเป็นการฆ่าเบียดเบียนทรัพสัตว์ทั้งหลายปรับโทษอย่างนี้อันนี้ก็มีธรรมวัชชะคือทาตีเตียนโลกวัชชะคือโลกของเขาตีเตียนเมองไปแล้วโอ้พระองค์นี้ใช้แบบทำตัวเหมือนกับคารวาสการเป็นอยู่แบบใช้แบบคารวาสอย่างนี้พระพุทธองค์ก็เห็นว่าออ ใครเข้าไปใช้เกินไปพุทธองค์บัญญัติวินัยผมก็เลยมาสรุปออกแบบง่ายๆว่าทางว่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าท่านทรงพระชนอยู่มาถึงยุคนี้สมัยนี้ผมว่าศีลของพระเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเหมือนกันแต่นี้พระพุทธองค์ในยุคนั้นท่านก็บัญญัติวินัยขึ้นมาแล้วก็บัญญัติแต่ยุคนั้นสมัยนั้นแต่บางสิกขาบทที่เราได้ศึกษาดูแล้วก็ มายุคนี้สมัยนี้ก็ไม่จําเป็นแต่ว่าทางว่าผู้ทรงยังทรงพระชนอยูนผมมั่นใจเลยเกินว่าจะต้องบัญญัติวิในัยในยุคนี้สมัยนี้เพราะว่าวัตถุที่นํามาใช้ในยุคนี้สมัยนี้ที่มันล่อแหลมต่อศีลธรรมต่ออัดต่อธรรมต่อคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นครมีมากพอสมควรแต่นี้ก็ไม่มีใครที่จะบัญญัติขึ้นมาได้เพราะว่า ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไปแล้วสมาทานตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้อันนี้ท่านตราสท่านพูดไว้อย่างนั้นอันนี้มาพูดเกี่ยวกับวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติต่างกล âm ต่างวาระหลายครั้งต่อหลายหนหลายองค์ในการกระทําผิดของพระสงฆ์แต่มาประมวลก็คือวันมาคบูชา วันเดือนสามเพนวันนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าล้วนแต่เป็นภิกษุที่ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์บวชเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าเอหิภิกขุคือบวชเฉพาะพระพุทธเจ้าเอหิภิกขุนะคำว่าเอหิภิกขุนั่นก็คือเขามีศรัทธาอยากจะบวชเลื่อมใสในรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยากจะบวชพระพุทธองค์กว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วทำวินัยเราบัญญัติไว้ดีแล้วพระองค์นั่นก็เป็นพระภิกษุในเดี่ยวนั้นเลยบริขารลอยมาเลยเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในเดี่ยวนั้นเลยอันนี้ว่าบวชบวช ด, ด้วยบุญบา ร, รมีบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุบวชมาแล้วไม่นานท่านก็ได ภาวนาท่านก็ได้สําเร็จมักสําเร็จผลถ้าท่านบวชในเฉพาะพระพักพพระโพธิเจ้าคือพระโพธิเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าพระองค์นี้มีบุญมีบารมีพระองค์ก็บวชให้แต่บางองค์มีบุญบารมีแต่ว่าไม่เคยทําบุญเกี่ยวกับอัฐบริขารมาก่อนไม่เคยขนขวายไม่ไม่เคยช่วยหมู่เพื่อนจัดบริขารให้แก่ผู้ที่จะบวชในครั้งพุทธกาล พระพุทธองค์มองดูแล้วเป็นผู้มีอุปนิสัยมักผลนิพพานบวชเข้ามาแล้วจะต้องได้สําเร็จแต่พระพุทธองค์บอกไม่ได้เพราะเขาไม่มีบรารมีไม่มีบุญฮงอย่างพระพาหิพระพาหิยะทารุจริยะอย่างเนี้ยท่านจะได้สําเร็จแต่พระพุทธองค์เทศให้ได้สําเร็จเป็นพระหันในถนนแล้วเอพอได้สําเร็จเป็นพระรหันแล้วท่นนี้พระองค์ก็มองดูอดีตเออพาหิยะเนี่ยไม่เคยขนไวายไม่เคยทําบุญบริขารให้แก่พระ เลยเพราะนั้นจะเรียกเอหิปิคุอุปสัมปทาไม่ได้ท่านก็บอกอาพาหิยะเธอไปสาะแสวงหาบริขารของเธอเถอะนะถ้าบริขารได้ครบแล้วเธอจึงค่อยบวชต่อภายหลังอย่างนี้ก็มี เ, เพราะนั้นพระพุทธองค์ต้องมองดอูทั้งปัจจุบันและอดีตด้วยว่าท่านผู้นี้เคยทำบุญอะไรไว้ในอดีตชาติ ท่านยังเรียกเอหีปิคุได้ผฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านไม่ได้ทำแบบปัจจุบันอย่างเดียวนะท่านมองถึงอดีตบางคนบางท่านบางครั้งท่านก็มองถึงอนาคตอีกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันที่พระพุทธเจ้าที่ท่านมองท่านดูสัพสัต ท, ทั้งหลายเวนไนยสัตว์ทั้งหลาย บริษัทบริวารของพระ อ, องค์ทั้งหลายพูดอย่างงานได้แต่นี้เมื่อพระ อ, องค์พระสงฆ์มากขึ้นเรื่อยๆบางองค์ก็ออกนอกหลู่นอกทางบางองค์ก็ไม่ไปตามหลักพระธรรมวินยัยบางองค์ก็เดินผิดที่ผิดทางก็ทําให้พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มีฮิริโอตปะมีความละอายต่อบาปเป็นผู้มักน้อยสันโดษเป็นผู้แคร่งในหลักพระธรรมวินยัย ก็เป็นผู้มีความละอายแต่พระพระสงฆ์บางองค์ก็ออกนอกลูนอกทางสแสวงหาลาภพ้ายยศ อ, อยากจะให้คนยกย่องนับถื อ, อยกนั้นสมัยนี้ก็คงจะไม่แพ้กันนะคือออกนอกลูนอกทางพระพุทธองค์ก็เลยเห็นว่าควรจะประมวลกฎหมายเข้ามาเป็นกลุ่มจากนั้นก็พระสงฆ์ทั้งหลายจะได้มาประชุมพร้อมกันแต่ว่าผมว่าพระพุทธองค์คงจะโทลจิตว่างั้นะ โทรจิตหาพระสงฆ์ที่เอหิพิกุผู้แตกฉานในปฏิสัมพิธายานทั้งหลายมารวมกันที่วัดป่าเวลุวันพระสงฆ์พันสองร้อยห้าสิบรูปพอมาพร้อมกันตอนบ่ายพระองค์บัญญัติฟิไนจากนั้นก็พระองค์เป็นผู้กล่าวหรือว่าสวด พระปฏิโมกหรือว่าโอวาทปฏิโมกขึ้นในถ้ำกลางสงพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้เรียนได้ศึกษาเรื่องวิทย์นอย่างที่พวกเราได้สวดกันนี่แหละอจากนั้นก็พ ร, พระพุทธองค์ก็เป็นตัวนําเป็นผู้นําเป็นองค์นําของพระสงฆ์ทั้งหลายพอต่อมาต่อมาพระสงฆ์ก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ องค์ที่ประพฤติตนไม่ดีก็มีองค์ที่ปฏิบัติตนดีก็มีแต่มาสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ลงอุโบสถลงอุโบสถที่ศาลาแล้วก็มีประตูบริเวณศาลาพร้อมพอได้เวลาตอนหัวค่าตอนย่ําค่าพระองค์ก็ขึ้นเตรียมพระสงฆ์ก็พร้อมที่จะฟังพระปฏิโมกพระสงฆ์พร้อม ทุกองค์ที่จะฟังพระปฏิโมกแต่พระองค์นิ่งไม่ตรัสไม่พูดอะไรทั้งหมดนั่งนิ่งพระสงฆ์ทั้งหลายก็นิ่งอีกเหมือนกันพอปฐมมยามคือยามต้นคือตอนหัวค่ำผ่านไปพระอานุนก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระสงฆ์พร้อมแล้วขอพระองค์แสดงพระปฏิโมกพระเจ้าค่ะ พระ อ, องค์ก็นั่งนิ่งพอถึงเที่ยงคืนผ่านไปพระนรนก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสงฆ์พร้อมแล้วพระพุทธเจ้าค่ะอันนี้เป็นมัดชิมายามคือยามเที่ยงคืนผ่านไปแล้วพระเจ้าค่ะขอพระ อ, องค์ทรงแสดงพระปฏิโมกข์พระเจ้าค่ะพระ อ, องค์ก็นิ่งอีกพอจวนจะสว่าง พระอนุนก็กราบทูลพระพุทธายาว่าพระพุทธเจ้าค่ะอันนี้เป็นปัดฉิมยามคือยามอจะจวนจะสว่างแล้วพระเจ้าค่ะคงจะมาตีสามตีสองตีสามตีสี่เนี่ยมั้งเนีกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าสงอยู่ในบริเวณนั่งอยู่ในศาลาแห่งนี้ผู้ไม่บริสุทธิ์ในศีลมีอยู่พรนั้นเราตถาคต จะไม่แสดงพระปฏิโมกในสงฆ์ที่ไม่บริรสุทธิ์ในศีลพระองค์พูดเพียงแค่นั้นจากนั้นพระโมกคลาภาษาริบุตรที่เป็นพระผู้ใหญ่ก็ยืนขึ้นบอกว่าท่านผู้ใดอยู่ในสงฆ์ทั้งหมดนี้ไม่บริรสุทธิ์ในศีลขอให้ลุกขึ้นพระสงฆ์เหล่านั้นก็เงียบประกาศถึงสามครั้ง ก็ไม่มีองค์ใดขยับขยื่นจากนั้นพระโมคคลาก็เลยนั่งเข้าฌานเหมือนกันทีนี่นั่งเข้าฌานสมาบัติใครเขาว่านั่งเข้าฌานตรวจด้วยเลดาทีนี่นั่งเข้าฌานตรวจ ด, ด้วยเลดาองค์ไหนที่ไม่บริสุทธิ์ในพระนั่งอยู่ในศาลาเต็มศาลาเนี่ยบริสุทธิ์ก็รู้ได้ว่าองค์หนึ่งไม่บริสุทธิ์ไม่ มีสินไม่บริสุทธิ์จริงๆคือต้องอาบัตมาพมัมโมคขาลาก็เลยเข้าไปดึงแขนให้ลุกขึ้นจากอาชนะเลยท่านออกไปเพราะงั้นท่านนี่ไม่บริสุทธิ์ในสินก็ดึงแขนออกไปกับออกพ้นประตูแล้วก็ปิดประตูปิดประตูศาลาจากนั้นก็พรองค์ก็ได้ให้สวดโอวาทปฏิโมกต์หรสวดพระปฏิโมก ให้แก่พระสงฆ์แต่ว่าอุโบสถวันนั้นจวนจะสว่างเต็มทนแล้วว่างั้นเถอะพระพุธองค์ก็บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราตถาคตจะไม่ลงสวดพระปฏิโมกข์หรือลงอุโบสถในพระสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์ในสิน่งให้พวกท่านทั้งหลายทําไปเถอะนะเพราะว่าตถาคตเนี่ยใครเพระพุทธองค์รู้หมด ว่าองค์ไหนไม่บริสุทธิ์ในศีลไม่บริสุทธิ์ในศีลก็ทั้งที่รู้รู้อยู่แล้วจะมาลงอุโบสถต่อพระพักพระพุทธเจ้าอันนั้นพระพุทธองคออ์ท่านท่านไม่ท่านรับไม่ได้ต่อพระสงฆ์ที่มีกิเลสในไม่ที่ไม่บริสุทธิ์ในศีลนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพระปฏิโมกขอขอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา แนวทางที่พระพุทธองค์พูดในครั้งพุทธกาลอันนี้ก็สรุปแล้วก็คือพระในครั้งนู้นกับครั้งนี้ขนาดในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาก็ยังมีพระสงฆ์ที่ออกนอกลู่นอกทาง ห, หลวงพ่อเองผมเองก็เลยมาสรุปว่าไม่ต้องพูดถึงในยุคสมัยพวกเรา แต่งแต่ต้นศาสด า, า, าต้นาศาสนายุคนั้นก็เป็นยุคเกรดเอก็ยังมีพระที่มีกิเลสไม่มีไม่มีฮิริคือความละอายแก่ใจโอตตปะความกลัวต่อบาปไม่มีก็ยังมีอยู่ในยุคสมัยนั้นไม่ต้องยุคของเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพะฉะนั้นให้พวกเราใหา้ให้คิดเอาไว้ว่าพุทธศาสนา เรียกว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีทั้งยุคนั้นทั้งยุคสมัยนี้สุธิอสุธิป จ, จตังความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ในศีลรู้ได้เฉพาะต น, นะ mm hmm. เพรา ะ, ะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะให้สํารวมในศีลอย่าทำนอกลู่นอกทางถ้าทำไปแล้วเนี่ยในครั้งพุทธญาพูดองค์ยังตำหนิอย่างสุดสุดบางอันกระทั่งว่าไม่ลงอุโบสถร่วมเลย เออจนถึงตอนหัวค่ำจนถึงเที่ยงคืนจนถึงจวนสว่างเออจนถึงกับประกาศออกมาแล้วก็พระโมกคลาได้เข้าฌานแล้วก็ได้ไปกระตุกแขนลุกขึ้นไปแล้วก็ดึงลากออกไปนอกศาลาแล้วก็ปิดประตูพระพุทธองค์จึงได้สวดปฏิโมกข์จากนั้นก็ประกาศพระอุณหพรุทธองค์ก็ประกาศจะไม่ลงอุโบสถมอบให้สง์เป็นผู้ ทำลงอุโบสถต่อไปนะอันนี้สรุปแล้วก็คือสินถ้าว่าสินดีเหมือนกับถานดีฐาน เ, เหมือนกับชาลาของเราถ้าฐานไม่สุดฐานสะพานฐานไม่สุดอาคารฐานดี อ, อาคารก็ตั้งอยู่ได้นานฐานเปรียบเทียบกับสิน ศีลคือฐานฐานคุณงามความดีศีลไม่ด่างศีลไม่พลอยศีลไม่ทะลุศีลไม่ขาดแปลว่าศีลของพระสงฆ์เป็นผู้สมบูรณ์ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวศีลถ้าพระสงฆ์มีสัมมาคระวะมีกิริยามารยาทที่ดีพระสงฆ์เหล่านั้นอยู่ด้วยกันถึงจะมากขนาดไหนก็ไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น ก็ต่างคนก็ต่างมีหิริคือความละอายมีโอตระปาคือความกลัวตบาะทะคิดออกไปนอกลกูนอกทางก็เออเราไม่ควรจะทําำมีหิรินมีความละอายว่าถ้าเราทําไปแล้วเอมันเป็นผลไม่ดีที่ตามมาโอตระปาคือความกลัวตบะบาปกรรมที่เราทําไปแล้วต่อไปภายภาคหน้าบาปกรรมตัว น, นี้จะตามสนองเรานะอันนี้ให้มีหิริ และอดตะ ป, ปะอยู่ที่กายวาจารอยู่ที่ใจของเราเราก็อยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็อยู่ได้เพราะภิกษุอยู่ด้วยกันด้วยความสํารวมด้วยความระวังอืรักษากายวาจาให้เรียบร้อยและก็ศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิเอเมื่อศีลดีแล้วเวลานั่งสมาธิจิตใจเขาเข้าสู่ความสงบได้ง่าย ว่าเราไม่ได้พวักพวบนว่าเราไปทำเรื่องนั่นเรื่องนี่มาทำสิ่งที่ไม่ดีมา เ, เราทำแต่สิ่งที่ดีคิดที่ดีทำที่ดีพูดในสิ่งที่ดีในเมื่อมาทำสมาธิจิตใจเขา้าเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนำจิตที่สงบนั้นนำมาพิจารณาทางด้านปัญญา ไตรตองเหตุและผลเห็นอัิจรังทุกขังอนาตาเห็นร่างกายสังขารเห็นอสุภะปฏิกูลกําหนดสิ่งไหนก็เห็นได้ชัดเพราะว่าจิตของเราเป็นสมาธิดีแล้วเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันเพราะนั้นท่านจึงว่าให้รักษาสินให้รักษาศินคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยจากนั้นให้มีสมาธิทําจิตใจให้มั่นคงจากนั้นก็พิจารณาไตรตองด้วยเหตุผล เมื่อพยายานานาิจารณาด้วยเหตุและผลแล้วเห็นสังขารร่างกายเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของเราก็เกิดความนิพพิธาคือความเบือ่อหน่ายเห็นรู้แจง้งเห็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจกลุลพ้นจากอาสวะกิเลสนะจะไปลักษณะอย่างนั้นขอเพราะนั้นให้ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ บวชมาในพุทธศาสนาบวชในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ผมได้เรียนให้พวกท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเนี่ย น, นะความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรแล้วบัญญัติวินัยอย่างไรพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยที่ไหนที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นเป็นยังไงบัญญัติวินัยที่เห็น ในชัดก็คือรวบรวมพิจนัยให้เป็นหมวดหมู่เรียว่าตั้งกฎรัฐธรรมนูญปกครองสงขึ้นมาก็คือนี่แหละวันมาฆะบูชาเป็นวันประกาศเรียกว่าเป็นวันแต่งตั้งรัฐธรรมนูญปกครองสงค์นี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทั้งอกตั้งใจและก็ให้สํารวมกายวายจาให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มีศินถ้าพวกเราเป็นผู้มีศินแล้วเรานึกคิดเมื่อไร่ใจของเราก็สบาย เพราะจิตใจของเราไม่ออกนอกรูนอกทางนะการพูดการแนะนำวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันพระปฏิโมกก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องศีลและวินัยให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาก็ขอให้พวกเราทั้งอกทั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำส่องสอนของพระพุทธเจ้าความสุขความเจริญทางด้านจิตใจก็จะมาสู่พวกเราท่านทั้งหลายตลอดไปการพูด วันนี้เห็นว่าสุมควรกับการเวลาขอหยุดตินะตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมกนะ น, นัตตินาะ